248อัสบปดปตินิสัก ข, ขะอุเขปนิยกรรมมกถาว่าด้วยอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป417ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่ปรารถนาจะสละทิฏฐิบาปถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลไม่ปรารถนาจะสละทิฏฐิบาปเอาละพวกเราจะลงอุเขปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงอุเขปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรม ลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทมปฏิรูปลงอุกเขปนิยกร ร, รมเพราะไม่สละทิฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้น แล้วพร้อมเพียงกันโดยทรรมปฏิรูปลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบากแก่ภิกษุรูปนั้น